เจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจบุ้สมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สามสิบเมกราคมพุทธศักราชสอพันห้าร้อยห้าสเกาเป็นวันพระวันธรรมนัสวราระวันที่สาธุชนได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญมาลั บ, บา มาชำาบใจให้สะอาดบริสุทธิ์ตามคำสอนของพระบรมศาสดาพาาาระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความศรัทธาด้วยความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสสอนไว้ว่าบุญมีจริงบาปมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริง การเวียนว่ายตายเกิดมีจริงการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วนำมาสั่งสอนพวกเราที่ยังไม่รู้ยังไม่เห็นนรกยังไม่เห็นสวรรค์ยังไม่เห็นการเวียนว่ายตายเกิดยังไม่เห็นการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิด มาสอนให้พวกเราได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติเพื่อที่จะทำให้เราได้เห็นบุญเห็นบาปเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นการเวืยนว่ายตายเกิดและเห็นการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามต่อไปเราก็จะ เห็นสิ่งต่างๆที่พระบิดาเจ้าทรงรู้ทรงเห็นน่าเราจะได้กระทำในสิ่งที่ดีที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจของเราอย่างแท้จริงสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ก็คือการทำบุญการไม่ทำบาปการชำระใจให้สะอาดปราศจากความโลภความโกรธความหลง ความอยากต่างๆนี่คือสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของพวกเรานี้ดีขึ้นไปตามลาดับและดีจนถึงขั้นสูงสุดถึงขั้นที่เราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปถ้าไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีการตัดสโตว อพระพธเจ้าพวกเราจะไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้เราจะคิดว่าเราเป็นร่างกายและพอร่างกายตายไปเราก็สูญไปกับร่างกายแต่ความจริงเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นเจ้าของหรือเป็นคนสั่งร่างกายให้ทำอะไรต่างๆเราเป็นเจ้านาย ส่วนร่างกายนี้เป็นลูกน้องเป็นคนรับใช้เรามาได้ร่างกายนี้ตอนที่แม่ตั้งท้องอยู่ในท้องแล้วเรามาจากชาติก่อนมาจากร่างกายอันก่อนที่ตายไปแล้วเราก็มาหาร่างกายอันใหม่พอมีไขรตั้งท้องถ้ามีจังหวะไม่มีใครเข้าไปก่อน เราก็เข้าไปจับจองร่างกายนี้แล้วพอร่างกายนี้คลอดออกมาเราก็ใช้ร่างกายให้ทำอะไรต่างๆด้วยความคิดของเราแต่เนื่องจากเราไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกเราเลยไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายแล้วเราก็เลยคิดว่าร่างกายนี้เวลาตายไปก็ จบไม่มีการไปเกิดใหม่แต่ความจริงร่างกายจบแต่ใจของพวกเราที่เป็นผู้มาได้ร่างกายนี้เป็นคนรับใช้ไม่ได้จบไปกับร่างกายเพราะใจของพวกเรานี้ไม่มีวันตายใจของพวกเรานี่แหละที่เป็นผู้ที่จะไปเกิดใหม่อีกต่อไปและจะไปเกิดที่ไหน ก็อยู่ที่การกระทําของเราสองแบบคือการทําบุญหรือการทําบาปถ้าเราทําบุญเราก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นต่ตางๆถ้าเราทําบาปเราก็จะไปเกิดในอาบายชั้นต่ตางๆอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเรามองไม่เห็นกันเพราะเรามองไม่เห็นตัวเราเอง ตัวเราเองนี่ไม่มีรูปร่างมีแต่ความรู้สึกนึกคิดเวลาที่เราคิดเนี่ยไม่ใช่ร่างกายเป็นผู้คิดเราเป็นผู้คิดเราก็คือใจเราอยู่ในใจอยู่ที่ใจเป็นผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำบุญหรือทำบาปหรือให้เราชำระใจให้สะอาดหรือจะทำให้ใจของเรา สศกะกะบอกก็อยู่ที่ความคิดของเราเช่นวันนี้เราคิดมาทําบุญกันพอเราคิดแล้วเราก็สั่งให้ร่างกายมาออกเดินทางมาวัดกันหาข้าวหาของหาสิ่งของต่างๆมาถวายพระนี่เรียกว่าเป็นการทําบุญการทําบุญแปลว่าการทําคุณทําประโยชน์ทําความสุขให้แก่ผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทนจากผู้รับให้ด้วยจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ให้เพื่อที่จะสร้างบุญเพื่อที่เวลาร่างกายนี้ตายไปจะได้ไปสู่สุคติสุคติก็คือสวรรค์ของชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์ของพระอริยเจา้านี่คือที่ไปของผู้ที่ทาบุญ การทำบุญนี่เราไม่ต้องการสิ่งตอบแทนจากผู้รับเช่นมาทำบุญที่วัดแล้วก็อยากจะให้แจกพระอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นการทำบุญทำบุญนี่ต้องทำโดยที่ไม่ต้องการอะไรเป็นสิ่งตอบแทนแต่ถ้าทางวัดมีอะไรจะให้อันนี้ก็เป็นเรื่องของทางวัดเขาถ้าเขาให้เราก็รับไปได้แต่เราอย่าไป แลกเปลี่ยนกันว่าวันนี้มาทําบุญที่วัดแล้วเดี๋ยวจะต้องเอาพระกลับไปด้วยเอาของแถมกลับไปด้วยอันนี้แล้วแต่ทางวัดถ้าอยากทางวัดอยากจะแจกอยากจะแถมอะไรก็เป็นเรื่องของทางวัดแต่ทางเราที่มาทําบุญนี้เราไม่ได้มาเพื่อมารับอะไรจากทางวัดแต่ถ้าทางวัดจะให้เราก็ยินดีรับได้ตอบ แทนน้ำใจกันไม่เป็นไรแต่อย่ามาวัดแล้วก็เอาเงินมาให้พระแล้วก็ขอรูปขอพระไปอย่างนี้อย่างนี้เป็นเรียกกันว่าเป็นการซื้อขายเป็นการแลกเปลี่ยนไม่ได้เป็นการทําบุญการทําบุญก็อย่างที่ญาติโยมมาทําวันนี้เอากับข้าวกับปลาอาหารของข้าวของหวาน ของใช้ไม้ส้อยต่างๆรวมทั้งเงินทองมาถวายให้กับวัดโดยไม่มีสิ่งตอบแทนจากทางวัดอันนี้เรียกว่าบุญมาเพื่อให้ความสุขแก่ผู้รับให้ผู้รับนั้นมีความสุขมีความสบายได้บรรเทาความทุกข์ความอดอยากขาดแคลนเช่นพระสงฆ์ที่อยู่วัดนี้จำเป็นจะต้อง อาศัยการทำบุญของญาติโยมถ้าญาติโยมไม่ทำบุญไม่ใส่บาตรพระสงฆ์ก็จะอยู่ไม่ได้ก็จะต้องลาสิกขาไปทำมาหากินถ้าไม่มีพระสงฆ์ต่อไปก็จะไม่มีพระาศาสนาไม่มีใครที่จะมาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำคำสอนอันประเสริฐอันวิเศษของพระพุทธเจ้านี้มาเผยแผ่สั่งสอน ให้แก่พวกเราถ้าพวกเราไม่มีคำสอนพวกเราก็จะไม่รู้ว่าการทำบุญนี้ทำไปเพื่ออะไรการไม่ทำบาปนี้ทำไปเพื่ออะไรเราก็จะทำไปตามความรู้สึกของเราวันไหนเราอยากจะทำบุญเราก็ทำวันไหนเราอยากจะทำบาปเราก็ทำถ้าเราปล่อยให้เราการกระทาของเรา เป็นไปตามความรู้สึกนึกคิดความรู้สึกของเราส่วนใหญ่มันจะไปทําบาปกันทําบุญนี้มีมากแต่ไม่มากถ้าเราปล่อยให้เป็นไปตามความรู้สึกนึกคิดเราก็จะทําบาปมากกว่าทําบุญกันถ้าเวลาเราตายไปบาปกับบุญนี้จะเป็นผู้ที่มาดึงใจของเราให้ไปทางใดทางหนึ่งถ้าบาปมีกำลังมากกว่า ก็จะดึงใจให้ไปอบายไปเกิดในอบายถ้าบุญมีกําลังมากกว่าบุญก็จะดึงไปให้ไปเกิดในสวรรค์ถ้าบุญกับบาปมีกําลังเท่ากันไม่สามารถดึงไปสวรรค์หรือดึงไปอบายก็จะได้กลับมาเป็นมนุษย์สมมุติว่าถ้าชาตินี้เราทําบุญทําบาปเท่าๆกันเวลาตายไป ไม่ได้ไปอบายไม่ได้ไปสวรรค์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยแต่ถ้าบาปมากกว่าบุญต้องไปอบายก่อนไปใช้บาปก่อนไปใช้จนกว่าบาปจะมีกําลังเท่ากับบุญถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เช่นเดียวกับเวลาที่เวลาที่เรามีมีบุญมากกว่าบาปเราก็จะไปสวรรค์ก่อน ไปเกิดเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้าก่อนเสร็จแล้วเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่หลังจากที่บุญกับบาสมีกำลังเท่ากันนี่คือเรื่องของการเวียนล่ายตายเกิดของพวกเราเป็นไปตามอำนาจของบุญหน้าของบาปและจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าหากเราไม่กาจัด สิ่งที่ผลักดันให้เราไปเกิดใหม่ไปรับผลบุญผลบาปสิ่งที่ทำให้เราไปรับผลบุญผลบาปก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆถ้าเรามีความโลภความโกรธความหลงความอยากเราก็อยากจะกลับมาเกิดใหม่เวลาร่างกายนี้ตายไปแล้วแต่ใจที่ยังมีความโลภความอยากอยู่ ก็จะไปหาร่างกายอันใหม่หลังจากที่ไปใช้ผลบุญผลบาปแล้ว <Gold> ก็กลับมาหาร่างกายอันใหม่กลับมาเกิดใหม่กลับมาทำตามความโลภทาตามความอยากใหม่ความโลภความอยากนี้ไม่ต้องมีใครสอนพวกเราเกิดมานี่ไม่ต้องมีใครสอนให้โลภไม่ต้องมีใครสอนให้อยากเห็นอะไรปั๊บอยากได้ทันทีได้ยินอะไรปั๊บอยากได้ทันที อันนี้มันเป็นของที่ฝังมากับใจถ้ามีความโลภความอยากฝังอยู่ในใจการเวียนว่ายตายเกิดก็จะไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าเราสามารถกำจัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอันนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบ และได้ปฏิบัติจนจิตของพระพุทธเจ้านี้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความโลภความอยากความโกรธความหลงต่างๆจึงทำให้พระพุทธเจ้าไม่ต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายวนพวกเราอีกต่อไปการไม่กลับมาเกิดมาแกมาเจ็บนี้เรียกว่าการไปสู่พระนิพานพานพระนิพพานก็คือจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ จิตที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยากต่างๆที่จะมาผลักดันให้จิตไปหาร่างกายอันใหม่เพราะการไปเกิดใหม่นี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะอะไรเวลาเกิดมาแล้วก็ต้องมาทุกข์กับร่างกายต้องมาทุกข์กับการเลี้ยงดูร่างกายทุกข์กับการหากินให้กับร่างกายแล้วยังต้องมาทุกข์กับความแก่ ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยแลนะในที่สุดต้องมาทุกขกับความตายไม่ว่าจะเกิดมาใหญ่ขนาดไหนรวยขนาดไหนก็ต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกับคนธรรมดาคนที่ไม่รวยหรือคนที่ยากจนทุกคนในโลกนี้จึงมีความทุกข์เท่าๆกันคือทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายนี้ ไม่มีใครมีมากมีน้อยกว่ากันถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องพยายามหยุดความอยากต่างๆหยุดความโลภต่างๆวิธีที่จะหยุดความโลภความอยากพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้ใช้เหตุผลเวลาที่เราโลภเราอยากได้อะไรให้ถามว่าถ้าเราไม่มีไม่ได้มาเราจะตายหรือไม่ถ้าเราไม่ตายแสดงว่าไม่จําเป็น อย่าไปเอามาดีกว่าเพราะเอามาแล้วไม่ได้ทำให้ความโลภความอยากหมดไปแต่กลับจะทำให้ความโลภความอยากมีเพิ่มมากขึ้นไปเช่นวันนี้เราไปเห็นเสื้อผ้าที่ร้านเราชอบทั้งๆ ท, ที่เรามีเสื้อผ้าอยู่เต็มตู้แล้วแต่อยากได้เราก็เลยไปซื้อมาพอซื้อมาแล้วเดี๋ยวอีกสองวันไปเไปเจอเสื้อผ้าชุดใหม่อีก ก็อยากได้เนี่ยเราอยากมาตั้งแต่เกิดมาเสื้อผ้าเราจรึงมีล้นตู้เต็มตู้เพราะความอยากแล้วก็เราก็ไม่ได้ใช้มันอาจจะซื้อมาใส่ครั้งสองครั้งแล้วก็ไม่ได้ใส่แล้วเพราะเดี๋ยวไปซื้อชุดใหม่มาใส่อีกนี่คือเรื่องของความอยากมันจะหลอกให้เราตะคุกเงาไปเรื่อยๆเข้าใจคำว่าตะคุกเงานะเงามันอยู่ข้างหน้า เราอยากจะไปจับเราเราก็เดินไปหามันพอเดินไปหามันมันก็หนีเราไปอีกข้างหน้ามันจะอยู่ข้างหน้าเราอยู่เรื่อยๆความอยากมันก็เป็นแบบนี้มันจะหลอกให้เราอยากอยู่เรื่อยๆอยากได้สิ่งนั้นแล้วก็อยากจะได้สิ่งนี้อยากได้สิ่งนีงง้แล้วก็อยากได้สิ่งโน้นเนี่ยเราอยากกันมาเรื่อยๆเพราะเราไม่รู้วิธีหยุดความอยากมีพระพุทธเจ้าเป็นองค์แรกองเดียว ที่ค้นพบวิธีหยุดความอยากก็คือต้องใช้เหตุผลเหตุผลก็คืออย่าไปเอาสิ่งที่ไม่จำเป็นมาสิ่งที่จำเป็นเอามาได้เช่นอาหารถึงเวลากินอาหารก็ต้องกินถ้าไม่กินต่อไปร่างกายก็จะสูบผอมเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จะตายไปได้ของอันไหนที่จำเป็นจะต้องมีก็เอามาได้อย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นความอยากเป็นความโลภ เป็นความจําเป็นแต่การจะไปเที่ยวนี้จาเป็นไหมถ้าไม่ได้เที่ยวเราจะตายหรือไม่ไ ม, ไม่ตายไม่ได้เล่นแล้วจะตายหรือไม่ไม่ตายไม่ได้ไปดูหนังฟังเพลงแล้วจะตายหรือไม่ไม่ตายสิ่งเหล่านี้ถ้ามันทำให้เราไม่ไม่ได้มาช่วยให้เรารักษาชีวิตของเราอย่าไปเอามาเพราะมันจะเป็นเหมือนยาเสกติดมันจะติด พอทำอะไรแล้วมันก็ติดพอดูอะไรแล้วมันก็ติดเช่นดูละครก็จะต้องดูไปทุกคืนพอละครเรื่องนี้หมดก็ดูเรื่องใหม่ต่อมันก็อยากดูไปเรื่อยๆเพราะว่ามันอยู่เฉยๆแล้วมันคันมันอยู่แล้วมันไม่มีความสุขมันต้องหาอะไรมาให้ความสุขมันถึงจะถึงจะมีความสุขแต่พระพุทธเจ้าบอกวิธีหาความสุขที่แท้จริง ต้องมาหาความสุขที่ใจของเราต้องมาทำใจของเราให้สงบวิธีทำใจให้สงบก็คือให้เรามานั่งไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกันถ้าเราควบคุมใจไม่ให้คิดได้ให้อยู่กับบทสวดมนต์หรือให้อยู่กับคำบริกรรพุทโธพุทโธใจของเราก็จะสงบพอสงบแล้วเราก็จะมีความสุข พอมีความสุขแล้วเราก็จะไม่อยากดูละครไม่อยากไปเที่ยวไม่อยากไปดื่มไม่อยากไปรับประทานอะไรเราก็จะหยุดความอยากต่างๆได้พอหยุดความอยากต่างๆได้พอเราตายไปแล้วเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องไปรับผลบุญผลบาปที่เราได้ทำเอาไว้ต่อไปแต่เราจะได้อยู่ในพระนิพพานอยู่ในที่ที่มีแต่ความสุขอย่างเดียว ที่ที่ไม่มีความทุกข์ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเพราะจิตใจของเราไม่มีวันสิ้นสุดตอนนี้จิตใจของเรายังไม่มีความสุขไปตลอดยังมีความสุขบ้างและมีความทุกข์เป็นส่วนใหญ่พอเกิดมานี่ก็ต้องมาทุกข์กับการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็ต้องมาทุกข์กับการสูญเสียสิ่งที่เราลากบุคคลที่เราลากไป แล้วก็ต้องมาทุกขกับความแก่ความเจ็บความตายการเกิดจึงเป็นสิ่งที่ไม่ดีการไม่เกิดนี่เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติแล้วสงสอนให้พวกเรามาปฏิบัติกันด้วยการทําบุญด้วยการละ บ, บาปด้วยการชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์คือด้วยการนั่งสมาธิไหว้พระส่วนมนแล้วด้วยการใช้เหตุผล เวลาอยากได้อะไรอยากทำอะไรก็ใช้เหตุผลถ้าไม่มีความเจนเป็นอยากไปทำเพราะทำแล้วมันจะติดติดแล้วมันจะหยุดไม่ได้เราต้องฝืนความอยากทุกรูปแบบถ้าฝืนได้แล้วใจของเราจะมีแต่ความสุขการทำตามความอยากนี้มันเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขเพราะมันจะทำให้อยู่ไม่เป็นสุขนั่นเองอยู่เฉยๆไม่ได้ แต่คนที่ไม่มีความอยากนี้อยู่เฉยๆได้อยู่อย่างมีความสุขได้จึงขอให้เราเห็นโทษของความอยากถ้าเราเห็นโทษของความอยากแล้วเราก็จะเลิกความอยากต่างๆได้เราก็จะมีความสุขไม่ต้องไปเดินนนนหาสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่เป็นความสุขได้มาก็สุขตอนต้นแต่พอมันเสียไปมันหมดไปก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเรามีศรัทธามีความเชื่อกันขอให้เราเชื่อแล้วนำเอาไปปฏิบัติสามข้อนี้คือทำบุญละบาปทำละใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วรับรองได้ว่าชีวิตของเรานี้จะมีแต่ความสุขความเจริญขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นของพระพุทธเจ้าและขั้นของพระอรหันต ขั้นที่เราจะได้ไม่ต้องกลับมาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมแล้วนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนี้ไปประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของจิตใจที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้